โดยอันใดไงบอกจัดตัวตวนนี่ที่สุดที่สัเขาเปรยดขยันเมือเาเฉยมาทุกอย่างเาได้เฉยทุก อ, อย่งอางเขาด่ า, ดดามาเขเฉยเขเาเฉมาก็เฉ ย, ายาาาาราชการะมีตั้งจิตใจเขาเฉยที่อของธรรดาวก็จักใจใครสอยร่างกายจะเจ็บเเฉยที่เรื่องธรรมดาร่างกายจะป่วยก็เฉยร่างกายจะตายเขเฉย ก็กำลังใจมีกิดชุ่มเทเพราะเราจะไปนิพพานใช่ไหมพระโลกบาลสัจจะยะทิสิก็เว่าโสดาบันจริงๆเรื่องเรามาเอาใช้โสดาบันโสดาบันจริงๆก็มีความรู้สึกเชเดียวกันคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายใช ch um ่ไหมเาลืมไปว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใชของเราเราไม่มีร่างกายร่างกาใช่ขอเรา ถ้าร an <spoke> ่างกายมันไม่มีเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงงตายถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันก็ไม่ตายก็ไม่อยากมันตายใช่ไหมถ้าเราไม่คิดได้อย่างนี้ถือว่าชนะข้อที่หนึ่งของพระโสดาบันข้อสองตัวที่ิจฉาไม่สงสัยในคนพัฒนาใจคือพระพุทธเจ้าประธานพระอาริยสอันนี้ต้อง ถ้าไม่สงสัยีนความจริงต้องควบกันหนักหน่อยถ้าอย่างน้อยเราทำติดเท้าได้สองในวิชาสามจะมีความแม่นของในพระใจตำนาคมมากเพราะวหลักสุวิชาสามไม่ใช่สูตรคาสอนพรเจ้าพระเจ้าหลงตายแล้วมีสภาพไม่สนจริงไหมเราตามไปกำลังที่ปุญญาคนตายแล้วเกิดมีจริงไหมเราตามและติดตามไม่ถกเป็นวาสัญยา อันนี้จะบสภาพมันจะชัดเจนแจ่มใสมากสร้างความมั่นคงถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็สามารถจะส่งความมั่นคงใงพระเจ้าในประธรรมในีระอริยสงฆ์ได้นะข้อทีสามสีรประตับประด า, ามาสเราส า, าสินี้เครื่งคัดก็มีเท่านี้นะคุณไม่มีอะไรมากหรอกของก็่วยไงคุณ อ, อยู่จังหวัดไหนล่ะ น่ากลเจ้กลัดิบพอแล้วไอ้นี่มันขึ้นเร่งต้นธรรมนะคุณนะแต่กจริงถ้าเราจะเอาจริงๆนี่มันไม่หนักนะคุณนะคุณตั้งตนเอาเพอเพาะสันโดษสามเนี่ยผมให้เวลาคุณไม่เกินสี่เดือนนะแต่คุณจะเ ป, ปิดปากเลยนะสมาธินี่คุณทำ คุณจะภาวนาไม่อย่างไงก็ตามพิจานณาอย่างไงก็ตามมันคงไม่จะว่าเป็นจิตเป็นสติใช่ไมสมาธินี่ควรทํามื่จิตเริ่ทสงตัวแต่ว่าตัวปัญญาอันนี้เป็นแค่อนุสตินะอนุสติที่มีสินี่เราใช้แค่นุสติแค่สามในการจริงคุณใช้สี่คุอใช้อุปสมานุสติด้วยถ้าเราจะแยกจริงๆก็ก็เป็นหลายนุสติอีกอย่างหนึ่งมรณานุสติหนึ่ง สองพุทธานุปัติสานธรรมานุปัติสี่สังขานุปัติห้าสีลานุปัติหกโอปสมานุปัติอุปสมานุปัตินี่นึกถึงปฏิพันธ์เป็นอารมณ์ใช่ไหมถ้าคุณเอาจิงจริงขอคิดว่าทุกองค์น่ะไม่เกินสี่เดือนได้ระวังตัวไหนระวังบากตัวสินสินนี้เราจะมัวไปเมาแค่สินสองร้อยยี่เจ็ด ระวังสินห้ากักรรมวิสิบไว้ด้วยใช่ไหมเราไปมาว่าเรามีสินสองร้อยยี่บเจ็ดทำอะไรก็ได้นะระวังนรกมันเร่งงานหนักต้อระวังสินห้ากักรรมวิสิบให้หนักเลยเพราะอย่างนี้กรรมวิสิบธิต้องระวังหนักมากใช่ไหมก้าวแค่นี้คุณมาที่นี่ผมมีเรื่องหูแถวนี้คุณมาไปความคานคุณสความคั น, คนผมก็เหนื่อยออื ไหวไหี่เดือนหน้าเนี่ยเริ่มต้นแต่วันนี้ก็ต้นไปหนึ่งเราไม่ลืมความตายใช่ไหมคนใหญ่คิดว่าเดี๋ยวนี้คนอายุเท่าไหร่การที่สองเดียวนี้นวันหนุ่มนะก็อย่าคิดว่าแก่คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ก็ได้ใช่ไหมตื่นขึ้นมาตอนเช้าทับเล็กเลย ว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ก็ได้ต้างสังเกตดูคนที่เขาจะตายเนี่ยเขาไม่รู้เขาจะตายเมื่อไรนะอย่างคนที่เสียงโปะหลับๆก็ตายไปเลยใช่ไหมตามข่าวมันไม่แน่นอนใช่ไหมเพราะฉะ้นเรื่อิ่ตายขึ้นมาวันนี้เราจะไม่ยอมลงอภาาัยคมกถ้าตายวันนี้ที่พึ่งของเราคือหนึ่งเราพระเจ้าสองพระธรรม 3. พระอริยสงใช่ไหม ถ้าตอบใจหลักใยใหญ่ก็คือสินห้าก็คหมดสิทสีทละยหกสิบเจ็ดอย่าลืมนะพระที่ไม่มีสินห้านี่มันเยอะนะนักบวชอะถ้าสินห้าไม่มีแีสินละร้อยหกสิบเจ็ดจะมีได้อย่างไรแต่โยมถ้าเห็นไหมถ้าบอกไม่เคยเห็นโกหกเลยการบวชสิทธิเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเื่องหใจฝนใช่ไหม วาจาเป็นหนึ่งใหญ่สีหนึ่งไม่พูดปดไม่พูดสัญญาไม่พูดส่อเสียบไม่พูดเจริเหลวไหลวาจานี้สำคัญมากนะแล้วจิตใจก็ไม่ทิ้งไม่ทำกรรมสิทธิ์มันต้องเอาไห้หนักถ้าเราทรงกรรมสิทธิ์ได้สิ่งสองร้ยี่เจ็ดมันก็สรงตัวได้ถ้าสรงกรรมสิทธิตไม่ได้สิ่งสองรยี่เจ็ดก็ทรงไม่ได้เห็นไหมถ้าเราโบ้แล้วอุ้มไม่ไหวแล้วอุ้มช้างได้ยังไง อาจจะไหมพระองค์ตรัสแล้ประการที่สองอุปสมานกติกก็ตื่นขึ้นใหม่ใหม่ทุกว่าวันนี้มันอาจจะตายก็ได้เราก็ป้องกันในวิปุวิการนึกถึงพระพุทธเจ้าประทาสพระอริยสงฆ์ในฝั่งพระลบแล้วก็ไล่เรียงเรื่องศีลของเราให้มันคงทั่วจิตก็ตั้งจิตไปจุดเดียวคือถ้าเราตายวันนี้ขอไปนิพพานนี่ถ้าพูดกันได้สุขัสสะโกนะ ถ้าคนศึกษาเรื่องเตหิโชด้วยชรากิญโยจะได้กําไรมากกว่านี้เอาเข้าเเพราะว่าที่นี่สอนชรากิญโยด้วย <c oughs> เตหิโชก็เขาถือว่ า, า, าเล็กไปแล้ะ <c oughs> ชละพินโยอันดับแรกก็ต้องใช้เตหิโชขึ้นต้นเหมือนกันใช้กําลังของวิชาสามอันดับแรกก็จับคิดปุญญาให้เกิดก่อน เมื่อทิพยานจับได้แล้วก็จับพระรูปผสมพระองค์เขาเมตสัมมาพระเจ้าให้คัดเจนอย่างสายตายกำลังเมื่อเห็นพระเจ้าแล้วก็สมลบทลงกำลังใจพุ่งจิตใจไปนิพพานทันทีพอไปถึงนิพพานอยู่ต่อหน้าพระเจ้าก็ตั้งใจคิดว่าถ้าเราร่างกายตายเมื่อไร่ก็จะมาตรงนี้ทำอย่างนี้ทุกวันแล้วคุณเรลืมว่าการตายในร่างกายมันตายในใจไม่ได้ตายนะใช่ไหม การทรี่อยากไปในโลกภวทวันนั้นมันใจไฟที่ถ้าใจมันรักยุภาณะมันจะไปไหนนี่อันก็ปนิภาณใช่ไหมแค่นี้มันอยากไปไอ้น่อยากอ้าใครมีอะไ ร, ะไรสงสัยไหมท่าน่าน้อนะครับท่านว่ามีมีผามได้คนดีดีผ่านได้เข้าใจดังกล่าใจไม่มีอะไรจะบอกกันถ้าบอกได้นะเอาชีวิตเกบเท่าก่อน ผมไม่รู้จักท่านเนี่ยผมไม่ไม่รู้จักท่านคนนึงเวลานั้นเจอที่ท่านไปพบกันผมก็ไม่รู้ชื่อท่านไยเห็น <c oughs> ไหมเวลาที่ไปพบกัน่ยเป็นองค์นี้จะไม่ใช่ผมว่าไม่จที่ไปพบกันในรูปร่างท่านมาได้เป็นพระใช่บปีกระขาผมก็ยาวแต่ความจริงนั้นเป็นพระ ว่าฟก็ถามว่าคนฤๅษีเขาท่านถามถา ม, ถามพ่ออะไรว่าเห็นผมยาวมันถามพระอยู่ที่ผมเลยผ้าไม่ใช่ผ้าเหลืองมันถามพระอยู่ที่ผ้าเลยนั่นความจไหมว่าพระจริ ง, าารงๆนะอยู่ที่ใจใช่ไหมในเมื่อผมยาวในเมื่อไม่มี ม, ม, ม, มิมิใหญ่คกในเมื่อใครจตัดผมก็ต้องยาวผ้าในเมื่อไม่มีผ้าเหลืองจะห่มก็ต้องลงผ้าอะไรก็ได้ ไม่เจ็บจิตใจจริงๆความเป็นธาตุจริงรจิงจงจงตใจตอนนี้จะเป็นองเดียวที่คุณพูดหรไม่นยผมไม่รับรองนะแต่ผมไม่ไม่กลับเพราก็ไม่เคยเจอกท่าอีกเลยเนี่เป็นเพียงว่าไปพบหลางพ่อป่าในป่าเลรว่าป่าในผอยู่ก็ะทันกระทัก็ไม่เคยสบแสดงดอกกุหลาสิญญาตอนนี้คนนี้ไม่เคยมีเลยแต่วันนั้นมีก็เลยได้สิญญาโอง เรื่องอริยานี่มัต้องปกปิดชาว บ, บ้านใช่ไหมมีความจําเป็นพระเจ้าสรงห้ามไว้แต่ต้าเราพังกันเองพวกกันเองไม่มีใครเห็นนี่ก็แสดงกันได้อที่แสดงกันนะผมว่าพระเจ้านแสดงแข่งกันท่านทําให้ลูกศิษย์ตัมากกว่าว่าอริ ญ, ญานี่เป็นของมีเจริงใช่ไหมท่านเองถ้าไหนมีอะไรบ้างไหมครับคุยกันได้ก็ไม่เป็นไร คนเขไม่ซาดุลคนเรียนที่ทุกอย่างเนียถ้าเาขาตารตัดขาตาว่ธธาพุทธเจ้าบอกตาอัธธาพรเป็นธเบอกนะแล้วก็สอนไปตามกลังที่เราสอนกันได้แต่ที่เข้าไปเพื่อันได้มีเยอับมีเกินเก้าสิบเปอร์ซ็นะที่ไปกันได้นะที่ไม่ได้เลยมีนก็นมมกนไม่มีนะก็ไปส่วนน้อย ถ้าใครเขามาอยู่ทั้ง5่ที่นี่ให้ราไวโอกาสเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันต้องต้องกลับถ้าเจ็ดวันไม่ได้ถือว่าเก่งเต็มที่แล้วตอนนี้ไม่ได้ละซูสู้ไม่ได้ไอ้คนโคลมฤเลเพราะเราสุดสอนครับ ว่ใช้เทพไปให้มันไม่จําเป็นเพราะมันไม่จำไม่จำเป็นเวลานี้ผมก็ไม่ไหวป่วยมต่ก่อนนี่ใหม่ๆเขาสอนเองพอมาเ ม, มื่อไหร่เขาสิบเขได้มากๆก็เลยให้เราสิบสอนคือคําสอนนี่มันไม่มีความสำคัญคําสอนผมมีให้มันต้นองเทพให้ฟังใช่ไหมเวลาสมาทานเสร็จแล้วก็เวลาจะเข้าฝึกจะฝึกปัญญาเนี่ยด้วย เรื่องด้านความปัญญานี่อันนี้มันต้องมีคนเข้าไปแนะนําถ้าคนไม่เข้าไปแนะนำในเกือบสิบปไีไม่ได้หรอกเขาขาดความเข้าใจเพว่าการปฏิบัติกรรมฐานมันต้องพร้อมสาอย่างคือศีลสมาธิปัญญาคําว่าปัญญานี่ก็คือตัวเข้าใจในทางขั้นถ้าเราอ่านหนังสือแล้วแ้าปัญญานี่มันสูงมากเกินไป เราเชื่อเขียนมากไปมันต้องใช้ปัญญาเฉพาะกับจุดที่เราต้องการที่มันก็ไม่ยากแต่เข้าใจนี่ไม่ยากนะวันนี้อะไรกันคนคยอเขาจะได้เลยจริงๆให้เกินสามวันให้คนทย่ไม่ได้กีิงห้าเดือนก็ไม่ได้ล้วโยกคนเยอไม่ได้ท้อ ง, อญญ ง, ทงอย่างแต่ก็ต้องถึงวาระเป็งั้นนะคุณนะวาระนัน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 ถ้าบอกว่าต้องแปลว่ากําลังใจเต็มอย่างศีลและบารมีจะพระ้อมในการส่งสินใช่ไหมทานบารมีพร้อมในการให้ทานนี่มันต้องเต็มจริงๆในเมื่อกำลังใจเต็มแล้วพรก็กํา ล, ลังใจว่าเขาบารมีมันยังไม่เต็มปีมันจากใจก่อนถ้าเต็มปีแล้วบฏิปันธ์กัแล้วเขาเต็มมาขนาดไหนแล้วก็บริการใีสองกรรมฐ า, านมีทั้งสีหมด ในใช่ก่อนเนี่ยเขาปฏิบัติหมดไหนมาถ้าเขาปฏิบัติหมดสุขกเบสโกมาเราสอนเขาไม่ได้ผลถ้าไปสอนชลักโยเติลโซนะอันนั้นเขาไม่ได้ผลแต่ด้านสมาธิเขาจะดีที่นี่เพงต้องแบ่งเวลาเป็นสองเวลาเวลากลางคืนสอนสุขะเบสโกกลวันไปสอนท่านติสระัิโยเติโซ ถ้าเพื่อนคุเขาได้เทวิโสหรือชลพิยโมาอันนี้อย่างเพื่อนอย่างเช้าที่สแช่สามวันเขาเริ่มได้ลเอาอย่างเช้ากันนะเขาเริ่มได้แล้วแล้วก็วันที่สามที่สี่ต่อไปนั้นเขาซักซ้อนแค่ซักซ้อนอีกสองวันวันหนึ่งวันที่สองถ้าซักซ้อนอีกสองวันนี่คล่องตัวหมดจะไปสวรรค์ชั้นไหนจะไปเป็นมรรคชั้นไหนจะไปที่ไหนนิพพานนิจไปกันได้นิพพานจะไม่จะมีสภาพศูนย์ต่าจะเข้าใจกัต่างสีนะ นี่ผมข อ, อยืนยันเราอ่านหนังสือว่าลุทานสุนแต่เราลืมไปตัวมั้งลุทานดังประมังสุ ข, ขังถ้าลุทานมันสูขนี่มีความสุขได้ยังไงในความสุขนี่มันต้องมีอารมณรับสัมผัสใช่ไหมถ้าสุขเนี่ยยงใหญ่คนหลับเนี่ยคนหลับไม่สุขไม่ทุกข์เลยมันไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เรื่อง ธาตุศูนย์ก็สระทาทั้คนหลับ Jacques. หลับนี่หนาวก็ไม่รู้ร้องก็ไม่รู้ใช่ไหมจะบอกว่าสุขก็ไม่ได้จะบอกว่าทุกข์ก็ไม่ได้เม่ใชสภระทาศูนจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่บ้าบาลีที่พระเจ้าทรงยืนยันวันนี้กานางปารมังสุขังที่การไม่สุขอย่างยิ่งอันนี้ต้องมีรู้รับสัมผัสแล้วคนนี้สุงนี้พานได้เป็นยังไงอันนี้ก็ต้องวัดบารมีกังนี่้ถ้าสุขสัญญานี่เยต้องวัดบารมีตรงเลย ถ้าระเบียวยังอ่อนได้ยงังเึงก็เพิ่ได้แค่สวรรค์ซึ่งรมไม่ได้แต่อย่าลืมว่าระเบียวยังมันเจงก็ได้นะมันหาใหม่ได้ใช่ไหมเรื่งรับได้ไม่ใช่มีแต่ของเก่าแล้วสร้างใหม่ได้ถ้าทําไปทําไปทําไปความเจงคเงเมื่อมีที่ขึ้นก็ถึงสมได้ถ้าจิตใจกําลังสะอาดมากขึ้นก็ไปสามาร ถ, ถนิพพานได้เรื่องนิพพานเนี่ยผมขอยริงใจแค่ว่าโสนก็สมว่าเถผมไม่โสนนะ ว่าอาจารย์ของก็ไม่สนว่าเจออาจารย์ในาาสมัยเก่าๆยางต้องพอมีแบบเก่าที่สุดเป็นพระที่เป็นไปสมิธายางขนาดหนักขนาดสอเนี่ยผมไปสา ม, งมองผมมงปฏิองหลังท่านอยู่อย่างนี้ตอนเดึกๆมาผมติมตีสองผมาทำกรรมฐานท่านร้อนตเกิดมาเลยไอ้พวกตีลังนะเงล้งรัดซื่อเกินไปลดจิตลงมาหน่อยปฏิลังนี้ ยันไม่ได้ขยับตไวดิอ้เราคดีคดีแค่้นี้มีสมบัดนี้เลยนะหลวง่อเขาหลวงพ่เนี่ยไม่อยู่ว่าอะไรครับวัดน้อยจังหวัดสพบุรีนิดยังมีหนังสือเรี่ยวกับตัวหลวงพ่อมีอะไรบ้างไหมไม่ทราบครับว่าทำรับเก่าอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวอยู่คือด้อร่างันนี้นะตัวหลวงพ่อต้องต้องไปถามต้องไปถามตงไปถามบัตรต่างว่ดเข้ามาบัตน้อยเกี่ยวกบบมาก อาพี่มาที่นี่อยากไปเรีศึกษาศึกษาอะไร